เวรุวันมหาวิหารเมืองราชครืประเทศอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา8นาฬกา30นาทีขอจเจริญพรโยมญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน บันนี้คณะบุญญจาริกก็ได้เดินทางมาถึงจุดสำคัญเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือต้นพระศรีมหาโพธิ์เราเรียกกันว่าพุทธคยาสถานที่นี้ก็นับเนื่องอยู่ในสังเวชนีสถานทั้งสี่ตอนนี้เราก็พูดได้เต็มปากว่าเราได้มาถึงสังเวชนีสถานอย่างแท้จริง ที่ผ่านมานั้นแม้จะเป็นสถานที่สําคัญในทามพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่อยู่ในสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้สังเวชนียสถาน4นั้นก็จำเพาะว่าได้แก่หนึ่งสถานที่พระพุทธเจ้าประสูตย 2. สถานที่พระองค์ปรัสรุ สามสถานที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาและสี่สถานที่สเสด็จดับขันทบาริณิพานอันนี้เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในเหตุการณใ์ใหญ่ในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงส่วนสถานที่อื่นนั้นก็เป็นสถานที่สเสด็จไปผ่านไปไปประทับทรงบำเพ็ญพุทธกิจและตา่าง แม้จะมีความสําคัญแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ใช่สังเวชนีสถานวันนี้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ก็เข้าสู่สังเวชนีสถานในลําดับที่หนึ่งสำหรับการเดินทางของเราคือถ้าว่าตามลําดับในเหตุการณ์ของพุทธประวัติและก็ก็อาจจะสับกันไปสับกันมาบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของ เส้นทางที่จะเดินทางไปได้โดยสะดวกทีนี้ในการมาถึงสถานที่ตรัสรูน้นี้เราพูดได้ว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็จึงนำเอาธรรมะที่ตรัสรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนต่อไป สถานที่เราผ่านมานั่นก็เป็นประจักษ์หลักฐานของการบาเพ็ญพุทธกิจที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมทำให้พระศาสนาขยายกว้างขวางออกไปและบางแห่งนั้นก็เป็นสถานที่เกี่ยวได้เหตุการณ์หลังพุทธกาลคือเป็นผลงานของพระสงฆ์และก็อุบาสกอุบาสิกาที่ได้นำพระศาสนาสืบ ก, กันมา ถ้าเราพูดในแง่หนึ่งแล้วเราเดินทางมาจากประเทศไทยมาถึงที่นี่เหมือนกับเราเดินย้อนมาเราเริ่มต้นจากประเทศไทยก็ถือว่าเป็นจุดปลายทางที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงเราเราเดินทางมาเราก็มาถึงเมืองปัตตนะหรือปาตาลีบุตรก็เป็นจุดต้นแหล่งที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงประเทศไทยมันก็หมายความว่าเราเดินทางจากประเทศไทย มาถึงแหล่งที่พุทธศาสนาได้แพร่ออกไปพอมาถึงเมืองปาตาริบุตรเราก็ได้พบสถานที่ที่ท่านได้ส่งพระสงฆ์ไปประกาศศ า, าสนาเป็นศาสนาทูตเราก็รู้ว่าอพระโสณอุตระที่ไปถึงดินแดนประเทศไทยของเราตั้งแต่สมัยก่อนโน้นที่เรียกว่าส่วนภูมินั้นก็เราได้มาถึงแล้วก็คือ ดินแดนของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ต่อจากนั้นเราเดินทางต่อมาอีกจากเมืองปาตาลีบุตรพอมาถึงเมืองราชครือันนั้นก็ยิ่งเป็นต้นทางมากขึ้นปาตาลีบุตรนั้นเป็นที่ส่งภาษาสนทูตไปกระจิงแต่เป็นเหตุการณ์หลังพุทธกาลตั้ง $200 กว่าปีแล้วพุทธศาสนากว่าจะไปถึงปาตาลีบุตรนั้นก็ต้องเริ่มต้นไปจากที่เมืองราชครืก่อน เนราชคลื่นี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากราชคลื่นนี่แหละพุทธศาสนาก็แพร่ขยายกว้างขวางออกไปและมามั่นคงจเจริญยิ่งขึ้นในสมัยพระเจ้าโศมมหาราชเพราะฉะนั้นราชคลื่ก็เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นต้นทางของที่ปาตาลีบุตรอีกทีหนึ่งในราชคลื่นนั้นเป็นที่ประดิษฐานพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปประดิษฐานที่นั่น นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชนเริ่มต่แต่พระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นไปการที่จะทรงปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าได้ตรัสรู้ในสถานที่นี้คือที่พุทธคยาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนี้เราเดินทางมาตามลำดับลาดับในที่สุดก็มาถึงต้นแหล่งต้นทางของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่คือพระพุทธศาสนาที่ไปถึงประเทศไทยเรา นันบัดนี้เรามาถึงจุดศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเราก็ได้มานมัส ก, การได้มาบูชาพระรัตนตรยัยไดทำวัดสวดมนต์ได้สรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยอันนี้ก็ได้แสดงออกซึ่งศรัทธาน้ําใจของพุทธศาสนิกนชนและจำเพาะพอดีวันนี้ก็เป็นวันมาคบบูชาด้วยเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ก็ควรจะได้มีความอิ่มใจปิติมากยิ่งขึ้นที่ว่าเราได้มานำมสการพระศรีมหาโพในวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่สำหรับพิธีมาคาบูชานี้ก็เมื่อวานนี้ก็ประจบกันว่าคณะบุญญาริขได้มาถึงเวฬุพระเวรุวันซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดของมาค้าบูชาเราก็เลยถือว่า ถึงสถานที่นั้นแล้วเวลาก็จวนแล้วก็เลยได้ประกอบพิธีเวียนเทียนมาข้าบูชากันซะก่อนที่นั่นแต่ถึงแม้มาที่นี่แล้วมาถึงวันจริงเข้าจะทําพิธีอีกก็ไม่เป็นไรคือเมื่อวานนี้มาถึงสถานที่จริงวันนี้มาถึงวันจริงได้สองอย่างได้สองจริงสองครั้งสถานที่จริงก็ทําไปทีหนึ่ง พอถึงวันจริงก็ทําอีกทีก็ไม่เป็นไรเรื่องบุญนี่ทํายิ่งมากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นโยมก็มาเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในโอกาสมาท้าบูชากันอีกครั้งหนึ่งที่ใต้ร่มพระีมหาโพนี้ก็จะเจริญบุญจเจริญกุศลยิ่งขึ้นเราก็มาน้อมนําใจให้ลําลึกถึงพุทธคุณโดยโยมไปหาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น เกิดขึ้นอย่างไรเราก็เรียนพุทธประวัติกันมาพอสมควรแล้วลำดับเหตุการณ์นั้นอตมาก็คงไม่จำเป็นจะต้องมาเล่าให้โยมฟังทีแต่ว่ามีจุดเฉพาะสำคัญสำคัญที่ควรสังเกตก็ขอย้อนลํำลึกไปถึงธรรมที่อตมาเคยเล่าให้ฟังว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นคือการค้นพบสัจธรรมความจริง และความจริงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาตามพุทธพจน์ที่เคยได้อ้างไว้ว่าสถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ตามหลักความจริงก็ดำลงอยู่เป็นปกติของมันอยู่แล้วว่าดังนี้ดังนี้สถาคตคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ค้นพบความจริงนั้น และนํามาเปิดเผยแสดงชี้แจงให้เข้าใจง่ายวางเป็นหลักลงว่าดังนี้ดังนี้นี่คือพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี้เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ก็จึงได้ทรงเปล่งอุทานวารจารําเปล่งอุทานนี้ก็มีปรากฏอยู่ ที่ว่ายะธาหาเวปาตุภวันติธรรมมาเป็นต้นซึ่งมีความหมายโดยย่อบอกว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามคำว่าพราหมในที่นี้หมายถึงว่าท่านผู้บําเพ็ญปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามสูงสุดคือเป็นคำเก่าที่เขาใช้กันสืบมาพระองค์ก็นําศัพท์นี้มาใช้ด้วยเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราม์นั้นจะหมดสิ้นไป เพราะมารู้ทั่วถึงทำพร้อมทั้งปัจัยอันนี้เป็นพุทธพจน์ ท, ที่แสดงหลักความจริงที่ตรัสรู้ส่วนหนึ่งก็คือแสดงถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นเหตุปัจจัยที่บอกความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้ามาค้นพบนี่คืออะไรก็คือมาค้นพบความจริงกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือการที่ผลเกิดจากเหตุเหตุก่อให้เกิดผลที่เราเรียกกันง่ายๆว่ากฎปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกเต็มว่าอิทัปปจิยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นเองและพระองค์ก็ตรัสต่อไปเป็นคาถาที่สองข้อความคล้ายๆกันว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏกับพามผู้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของคามนั้นจะหมดสิ้นไป เพราะมารู้นทำอันเป็นที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายอันนี้ก็คือการที่พระองค์ตรัสกล่าวอ้างอิงไปถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้นเหตุปัจจัยที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ได้แก่พระนิพพานท่อนที่หนึ่งนั้นแสดงหลักปฏิจจสมบัติท่อนที่สองก็แสดงถึงพระนิพพานที่เป็นธรรมพ้นจากปัจจัยปรุงแต่งและเมื่อได้ ตรัสรู้ถึงอิทัปจยตาปฏิจสมุบัติพร้อมทางพระนิพพานแล้วคาถาสุดท้ายก็แสดงถึงการที่ว่าพระองค์ก็ได้กําจัดมาลเสนาเหมือนอย่างดวงอาทิตย์อุทัยที่พ้นขึ้นมาจากเมฆหมอกภูเขาแล้วก็ทอแสงสว่างทําให้เห็นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ชัดเจนสว่างจากกระจจา้าอันนี้ก็คือปัญญาตารัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ทำลายความมืดแห่งอวิชชาหมดไปอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่เราเรียกว่าเป็นปฐมพุทธพจน์ในอัจฉริยะท่านว่ายอย่างนั้นบอกว่าพุทธพจน์แรกเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือพุทธพจน์ที่แสดงการตรัสรู้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาคือกฎธรรมชาติความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยพร้อมทั้งธรรมะที่พ้นจากปัจจัยปรุงแต่งนี่แหละ เป็นเรื่องที่ดูเป็นเรื่องคล้ายๆว่าง่ายๆเพราะว่าถ้าเราจะตอบชาวบ้านไปเวลาเขาถามว่าพุทธศาสนาสอนอะไรหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตอบในความหมายหนึ่งง่ายๆก็บอกว่าตรัสรู้ธรรมดานี่เองตรัสรู้ธรรมะนั่นก็คือธรรมดาแต่ว่าธรรมดานี่แหละเป็นเรื่องที่ยากที่สุดความจริงมีอยู่เป็นของธรรมดาไม่อยู่ตลอดการ ใครจะรู้ไม่รู้ใครจะเห็นไม่เห็นความจริงก็คงอยู่อย่างนั้นแต่เพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงอันนี้ที่เป็นธรรมดานี่แหละก็จึงดําเนินชีวิตไม่ถูกต้องก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งปัญหาในชีวิตของตนเองปัญหาในสังคมปัญหากับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างทุกประการแต่ถ้ามนุษย์รู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานี้เมื่อใดเมื่อนั้นเขาก็ปฏิบัติถูกต่อทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เกิดปัญหาทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ดีเรียบร้อยชีวิตก็ดีงามประเสริฐมีความสุขนั้นปัญหาของมนุษย์นี่ในที่สุดเมื่อสืบลึกลงไปสืบสาวไปก็อยู่ที่การไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงนี่เองนั้นมองในแง่นหนึ่งแล้วเรื่องของการตรัสรู้นี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรมากก็คือการเข้าถึงตัวธรรมดาหรือความจริง แต่ตัวความจริงหรือตัวธรรมะอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราเข้าถึงความจริงื่าใดทุกอย่างก็เรียบร้อยแม้แต่วิทยาศาสตร์อย่างที่เรารู้จักกันนี้ก็ไม่ได้ค้นพบอะไรก็คือค้นพบธรรมดาค้นพบความจริงแต่ก็เพียนพยายามกันมาทาเป็นกิจการใหญ่โตลงทุนลงแรงไม่รู้เท่าไหร่เพื่อจะหาความจริงตามธรรมดานี้ แล้วก็ค้นพบกันมาทีละน้อยดะน้อยวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความจริงแต่ด้านวัตถุด้านเดียวอันนั้นแม้แต่ความจริงเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวก็ยังใช้เวลากันไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วบัตรนี้ก็ยังหาได้ถึงความจริงนั้นไม่สิ่งที่ค้นพบไปในทางวิทยาศาสตร์สมัยหนึ่งก็ว่าอย่างนี้อย่างนี้นึกว่าค้นพบเป็นความจริงแท้แล้วเวลาผ่านไปอีก 20ปี50ปีร้0ปีคนรุ่นหลังนักวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนทำไม่ให้มากขึ้นก็มาค้นพบว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนได้ค้นพบไว้นั้นไม่จริงแท้ซะแล้เนีเพราะว่ามองความจริงไม่ทั่วถึงมองเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์นั้นไม่รอบด้านก็กลายเป็นว่า สิ่งที่ค้นพบเก่านั้นเป็นเท็จไปค้นพบความจริงใหม่ก็ประกาศว่าอันนี้ถึงจะจริงต่อไปก็ปรากฏว่าค้นพบอีกอันนั้นก็อาจจะไม่จริงอีกก็เป็นอย่างนี้กันเรื่อยมาจุดปรารถนายอดความต้องการสูงสุดก็อันเดียวก็คือต้องการเข้าถึงความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานี่เองสำหรับธรรมะในพุทธศาสนานั้นเรามองเห็นกันว่า เป็นความจริงที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงนั้นเป็นหลักการใหญ่ที่ไม่จำกัดเฉพาะด้านวัตถุอย่างเดียวและไม่จำกัดเฉพาะนามธรรมทางพุทธศาสนานี่ท่านมองครอบทุกอย่างทั้งรู ป, ปรธรรมและนามรธรรมที่เราเรียกกันว่ารูปนามเราถือว่าชีวิตมนุษย์นี้เป็นสุดยอดของสิ่งทั้งหลายที่บรรดา ม, มีในโลก ถ้าเราไปนค้นพบแต่เพียงวัตถุเราก็ได้เพียงด้านเดียวเข้ามาถึงก็แค่ตัวเราด้านร่างกายเท่านั้นเองแต่ชีวิตของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่มีทุกอย่างรวมอยู่ด้วยกันในตัวจะว่าทางด้านวัตถุก็คือการตันกรองวัตถุทั้งหลายที่เราเรียกกันง่ายๆว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยันกรองมาสุดยอดแล้วก็มาเป็นร่างกายของเราเนี้ แล้วนอกจากร่างกายแล้วเรายังมีส่วนจิตใจอีกมีนามธรรมเราเรียกว่าเป็นขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณทั้ง5อย่างนี้แหละเป็นชีวิตของมนุษย์พระพุทธเจ้าค้นพบจัดสรุปความจริงกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมทั้งเรื่องนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็จริงเป็นความจริงที่มีความสมบูรณ์ในตัวไม่ใช่เป็นความจริงเฉพาะ ด, ด้านเวลานี้ก็ ในการค้นพบทางวิชาการต่างๆที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์จเจริญเข้ามาไปเน้นแต่ทางวัตถุก็เลยว่ายังค้นพบความจริงไม่ทั่วถึงก็ต้องพิสูจน์คนกันต่อไปกันต่อไปจกนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็เริ่มมาสนใจเรื่องจิตใจแต่ก่อนนี่ถือว่าเรื่องจิตใจนี่เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนเป็นเรื่องที่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวความจริงในธรรมชาติ ยังกระทังว่าแยกคนนี้ออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติไปเลยเวลานี้ก็เริ่มมาสนใจเรื่องนามธรรมเรื่องจิตใจว่าคืออะไรถ้ามนุษย์จะเข้าถึงความจริงแท้หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าใจตัวมนุษย์เองถ้าเข้าใจตัวมนุษย์เองแล้วกล่าวได้ว่าเข้าใจหมดทุกอย่างเพราะว่าตัวมนุษย์นี้เป็นสุดยอดของสิ่งทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้ ดัง น, นั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดให้เราค้นพบตัวเองให้รู้จักตัวเองให้เข้าถึงความจริงที่มีอยู่ในขันห้านี้แหละเมื่อใดเข้าถึงความจริงอันนี้แล้วก็จะทําให้เหล่านี้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายภายนอกถูกต้องถ้าปฏิบัติต่อชีวิตจิตใจของตนเองยังไม่ถูกต้องก็ยังแก้ปัญหาไม่จบไม่สิน้นปัญหาทุกอย่างนั้นมันโยงกันไปหมดมีเหตุปัจจัยถึงกันทั้งรูปธรรมและนามธรรม ในการแก้ปัญหาของมนุษย์นี้มักจะเป็นส่วนหนึ่งด้านหนึ่งอย่างมนุษย์ปัจจุบันที่กล่าวมาเพราะเราไปให้ความสนใจทางวัตถุมากบางทีเราก็แก้ปัญหาโดยพิจารณาแต่ด้านเหตุปัจจัยทางวัตถุอย่างเดียวก็แก้ปัญหาไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าโยงกันทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมในที่สุดมนุษย์จะหนีไม่พ้นที่จะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยทั้งกายและใจทั้งนามธรรมและรูปธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงจับเข้าถึงจุดของความจริงอันนี้เลยก็คือว่าค้นพบความจริงของชีวิตนี้ทั้งหมดทั้งนามธรรมรูปธรรมกฎเกณฑ์เหตุต่อใจที่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นพระโอษฐิยานของพระองค์นี้จึงเป็นสิ่งที่ให้ถึงสัจจะไม่มีการขึ้นคาดเปลี่ยนแปลง 2,500 กว่าปีแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ ไม่เห็นว่าจะมีการคาดขึ้นไปยิ่งเวลาผ่านไปเราก็ยิ่งเห็นคุณค่าเห็นความจริงแห่งพระธรรมะที่พระองค์ประกาศไว้มากยิ่งขึ้นทุกทีแต่อย่างไรก็ตามความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆนี่แหละแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปมนุษย์เหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อม มีความคิดความเชื่อถือที่ถ่ายทอดกันมาจนกระทั่งมีความยึดติดถือมัน่นเป็นวัฒนธรรมเป็นศาสนาอะไรต่างๆแล้วพอมีความยึดติดถือมั่นแล้วนี่ทําให้เข้าถึงความจริงได้ยากบางทีสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรายึดถือนี่แหละก็กลับมาปิดบังตาหรือป้องกันกีดกั้นตนเองไม่ให้ยอมรับไม่ให้ยอมฟังไม่ยอมศึกษาไม่สามารถเข้าใจความจริงนั้นได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นความลําบากในการที่ว่าจะนําธรรมะมาแสดงจะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพรงได้มาทรงลําพึงถึงธรรมะที่พรงค์ตรัสรู้แล้วพรองคก็น้มพระไถยไปในทางที่จะไม่ทรงสั่งสอนตามที่เราได้เรียนในพุทธประวัติเราแปล ก, กันว่าทอพระไยัยที่จริงไม่ใช่ทอพระไถ่แล้วแต่ทอพระไถยนี้เป็นสนญลพูด ของชาวบ้านพระพุทธเจ้าจะเป็นท่ออะไรนี่ยคือหมายความน้อมพระไทยไปในทางที่จะไม่ทรงแสดงธรรมทาทไมน้อมพระไทยไปไม่แสดงคือว่าทรงพิจารณาว่าเอ๊จะแสดงไปนี่จะได้ประโยชน์แค่ไหนก็ทรงพิจารณาเห็นว่าธรรมที่ทงกรัสรุนี้คนทั้งหลายนี่ที่วุ่นวายอยู่ อยู่ในความรุ่มหลงมัวเมามีความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะทางวัตถุเนี่ยจะรู้ตามเข้าใจตามได้ยากธรรมะที่กล่าวนี้ก็พระองค์ก็ตรัสสั้นๆบอกว่าอิทัปปจิยตาปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ที่คาถาที่พระุทธเจ้าอุทานไว้นั้นนะ่ก็แสดงหลักธรรมใหญ่สองประการนี้ทรงนาไปแสดงเป็นตัวหลักการตัวความจริงในธรรมชาตินี้ ยากที่คนทั้งหลายจะเข้าใจเพราะว่ามีสิ่งพุ่มห่ออย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะมีความรุ่มหลงมีความเพิดเพินมีความมัวเมาต่างๆมีความเชื่อมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆประเพณียึดติดหือมัน่นยากที่จะเข้าใจตรงก็น้อมพระไตยไปในทางไม่ทรงแสดงธรรมแต่เสร็จแล้วก็มีเรื่องกล่าวว่ามีพระพรหมมาอารัธนาสามบดีพรหมอารัธนาว่า ยังมีสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นนะ่าคงจะพอเข้าใจได้บ้างก็หมายความว่าถ้าว่าโดยคนส่วนใหญ่แล้วนี่ยากที่จะเข้าใจแต่ว่าคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่มีความลุ่มหลงเพลิดเพลิ น, น, น, นมัวเมาติดในอามิสวัตถุทั้งหลายมากมายนะักท่านเหล่านั้นก็อาจจะพอสามารถ ที่จะได้รับการแนะนำให้เกิดความเข้าใจได้บ้างอันนี้ก็ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสินพระไทยที่จะเสด็จออกมาทรงสแสดงธรรมสั่งสอนอันนี้เป็นพุทธพจน์ ท, ที่เป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างหนึ่งให้เราเห็นว่าการที่จะเข้าใจถึงตัวธรรมะแท้ๆเนี่ยถ้าจะเอาให้ถึงที่สุดแล้วก็จะได้เพียงคนส่วนน้อย แต่พุทธศาสนานี่ก็มองมนุษย์ในแง่ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกกันไปเมื่อฝึกกันไปก็หมายความว่าถึงแม้ส่วนใหญ่นี่จะไม่ถึงที่สุดไม่ถึงความจริงสูงสุดแต่ให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมก็ยังดีอันนั้นถ้ามองในแง่นี้แล้วเราก็สามารถทำให้พุทธศาสนานี้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่มนุษย์จานวนมากได้เราหันไปมองดูสภาพของอินเดียสมัยพุทธกาลนี้ ก็จะเห็นความจริงที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงน้มพระทัยในทางที่ไม่ทรงสั่งสอนอินเดียในพุทธกาลเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ทําให้จิตใจของคนนี่เหินห่างจากความจริงห่างจากตัวธรรมะเอากันอย่างง่ายๆคนในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นตกอยู่ใต้อํานาจ ทำสอนหลักลัทธิของศาสนาพรามมีความเชื่อในพระพรหมในเทพเจ้าสูงสุดผู้สร้างสารรค์บรรดาลโลกและชีวิตพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมนี้สร้างสารรค์บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างสร้างโลกสร้างชีวิตมนุษย์ขึ้นมาและยังแถมกำหนดมาเสร็จว่าให้มนุษย์นี้แบ่งกันเป็นวัณณะสี่เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเกิดมาอย่างไรก็ต้องอยู่อย่างนั้นตลอดชาติ อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เช่นในเรื่องวันนะนี่มีความแน่นหนักฝังลึกเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้นั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นความจริง จ, งจงกนกระทั่งปัจจุบันเวลานี้วันนะสี่ก็ยังครอบงำคนอินเดียอยู่โยมผ่านมาเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจแค่ไปที่ตะปธชารามไปเห็นคนอินเดีย ที่มาอาบน้ำที่บ่อน้ำร้อนเสร็จแล้วแบ่งกันเป็นเขตๆคนที่เป็นวรรณะสูงก็อาบตอนสูงแล้วก็คนวรรณะต่ำลงมาก็ยอมรับสถานะของตนเองไปยอมอาบน้ำที่คนวรรณะสูงเขาใช้แล้วอาบแล้วเนี่ยมาอาบตัวเองอีกอันนี้สภาพความยึดติดถือมั่นอันนี้ฝังลึกมากเขาเชื่อว่าพระพรหมท่านสร้างมาอย่างนั้นก็แก้ไขได้ยาก พุทธศาสนาเข้ามาเจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมประกาศความจริงให้ในที่สุดพุทธศาสนาเองก็ยังอยู่ไม่ได้พุทธศาสนาก็ปราศนาการไปจากประเทศอินเดียคนอินเดียก็นับถือวันณะ4ี่กันต่อไปเวลานี้ก็ยังอยู่ในสภาพอันนั้นนี่ก็คือความฝังลึกจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาด้วยความยากลำบากขนาดไหนเนี่ยที่ว่า จะต้องดูสภาพแวดล้อมความเป็นจริงอันนี้นี่อีกด้านหนึ่งก็คือสัมพันธ์กับเรื่องเดียวกันเหตุเดียวกันก็คือความเชื่อในเทพเจ้าสูงสุดที่สร้างสารรค์บรรดาทุกอย่างนี้ก็มีเทพเจ้าต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเทพเจ้าเหล่านั้นก็มีอํานาจมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหารเป็นผู้ที่จะโดนบรรดาลสิ่งต่างๆ มนุษย์ต้องการอะไรอยากได้อะไรก็ไปอ้อนวอนขอตจ้เทพเจ้ า, ยาเหล่านั้นกลัวภัยอันตรายต่างๆก็ไปเอาอกเอาใจเพราะเชื่อว่าเทพเจ้ า, ยาเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระทั่งว่าคนอินเดียนี้ได้ประดิษฐ์ประดอยวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้ า, ยาเกิดเป็นการบวงสรวงอ้อนวอนต่างๆการบวงสรวงอ้อนวอนเหล่านั้นก็ทําให้ใหญ่โตมากขึ้นวิจิตพิสดารมากขึ้น เดีกระทั่งเป็นวิธีที่เรียกว่าการบูชายัญการบูชายัญก็เป็นวิธีเอาอกาจเทพเจ้านั่นเองแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเทพเจ้าท่านจะพอใจแค่ไหนเนยเราทําไปแค่นี้เราเห็นว่าเออเหตุร้ายยังไม่หมดไปเราก็นึกว่าเออเทพเจ้าท่านยังไม่พอใจนะเราก็เอาใจมากขึ้นอีกหรือว่าทําไปแล้วอยากจะได้สิ่งที่ปรารถนาอันนี้อ้อนวอนไปแล้วทําวิธีบูชายันญวงสูงไปเท่านี้ยังไม่ได้ แทนที่จะมาคิดถึงเหตุผลแทนที่จะไปว่าเทพเจ้าก็ไปคิดว่าตัวเองคงยังเอาใจไม่พอเนเมื่อเอาใจไม่พอก็ต้องพยายามเอาใจให้มากขึ้นอีกพิธีบูชายันบวงสวงก็เลยวิจิตพิสดารขึ้นทุกทีจนกระทั่งว่ามีพิธีบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตมากมายอย่างละเป็นจนวน5 0าร0 0โดยเฉพาะวัว5 0 0แพะห้าแกะ500 จนในที่สุดก็ถึงขั้นเอาคนไปบูชายันต่อมาประเทศชาติเจริญมากขึ้นสังคมเจริญมากขึ้นก็มีการออกกฎหมายห้ามอย่างอินเดียเนี่ยอังกฤษเข้ามาปกครองก็มีการออกกฎหมายห้ามและสังคมเป็นประชาธิปไตยขึ้นก็มีกฎหมายห้ามไม่ให้เอาคนมาบูชายัญเพราะการฆ่าคนนี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแม้กระนั้นความเชื่อทางศาสนาก็เป็นเหตุ ให้คนยังพยายามอยากจะได้ผลประโยชน์จากการบูชายัญที่เมืองกัลกรตานั้นก็พระที่นั่นก็ยังเล่าว่ายังมีคนพยายามบูชายาญด้วยการฆ่ามนุษย์อยู่ก็จะมีการลักพาหญิงสาวพรหมจารีเอาไปฆ่าสังวยเจ้าแม่กาลีที่เทวาลัยเจ้าแม่กาลีในเมืองกัลกรตานี่เป็นครั้งเป็นคราวอยู่ๆก็ผู้หญิงสาวพรหมจารีก็หายไปจากบ้านปรากฏว่า ถูกนําไปฆ่าสังเวยเจ้าแม่กาลีซะและ้วที่สารเจ้าแม่กาลีนั้นก็มีแท่นบูชายันเขาบอกว่าเอาคอคนไปวางและเวลาตัดศีรษะนี้เลือดจากคอนี่จะพุ่งตรงไปที่ปากเจ้าแม่กาลีพอดีแอบจ้างประดิษฐ์ประดอยดีเหลือเกิ น, นถ้าเอาความคิดอย่างนี้เอาความสามารถนี้มาประดิษฐ์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นี่จะได้ คุณค่ามหาศาลนี่แทนที่จะคิดอย่างนี้เอาไปประดิษฐ์ประดอยหาทางเอาใจเทพเจ้าเอาใจเจ้าแม่กาลีนี่แหละเป็นกันจรกระทั่งบัดนี้เรียกว่าแม้แต่กฎหมายลงโทษรุนแรงเขาก็ยังกล้ายังพยายามหาทางดีกเลี่ยงนี่ก็คือสภาพแวดล้อมในสังคมตั้งแต่สมัยพุทธกาลนี้คนก็ลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้อ้ อ, อนวอนขออำนาจดนบันาลของเทพเจ้า พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้ค้นพบความจริงเท่าถึงกฎธรรมชาติความเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจจัยแล้วพระองค์ก็มาทรงสแสดงธรรมเท่ากับ ว, ว่าไปบอกแก่ประชาชนทั้งหลายบอกว่าเออท่านทั้งหลายอย่ามัวไปมองออกไปข้างนอกนะอย่ามัวไปหวังผลการโดนบันดาลจากเทพเจ้าไปขอให้ท่านช่วยโ น, น่นช่วยนี่ นะสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นไ ป, นปนตามความจริงตามเหตุปัจจัยของมันเองหันมาดูความจริงกันสิอย่าโมแต่มองไปที่เทพเจ้าว่าเราจะเอาโน่นเอาหนี้ล้วขอให้ท่านทำให้นะให้มามองตัวความจริงที่อยู่รอบตัวเรานี้แหละนะซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไ ป, น ป, นปนตามเหตุปัจจัยของมัน ผลที่เราต้องการนี้จะเกิดขึ้นด้วยการกระทําของเราด้วยการทําเหตุถ้าเราทําเหตุแล้วผลก็จะเกิดขึ้นนี่คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ชี้ชวนประชาชนนี้ให้หันเหเบนความสนใจจากการโดนบันไดของเทพเจ้าที่เป็นอํานาจภายนอกที่เลื่อนลอยที่ตัวเองมองไม่เห็นและไม่สามารถบังคับควบคุมได้เนี่ยให้หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลาย ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันคือตัวธรรมะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตัวความจริงนี้เราใช้สัพ้์สั้นนิดเดียวด้วยคําคําเดียวว่าธรรมะเท่านั้นจากเทพเจ้าที่โดนบันดาล น, นั้นพระพุทธเจ้าเบ่งความสนใจของประชาชนมาสู่ตัวธรรมะเพราะฉะนั้นภูธกิจอย่างหนึ่งที่สรุปได้ง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงดึงประชาชนจากเทพมาสู่ธรรม จากเทพสู่ธรรมนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลประชาชนลหลงไหลวุ่นวายอยู่กับเรื่องเทพเจ้าอ้อนว อ, อนขออำนาจเทพเจ้าบรรดานโน่นโดนนี่อะไรต่างๆนี้พระพุทธเจ้าดึงมาให้เขามาสนใจตัวธรรมะคือความจริงความเป็นเหตุปัจจัยอันนี้แหละคือหลักการใหญ่ของพุทธศรราสนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นการปฏิวัติสังคมในขณะที่สังคมเนี่ยโมวุ่นวาย อยู่กับการหวังผลจากการโดนบรรดาของเทพเจ้ า, จาต่างๆพระเจ้าดึงคนให้มาสนใจตัวธรรมะเมื่อ่าสนใจตัวธรรมะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นเหตุเป็นผลกันในสิ่งทั้งหลายความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นเหตุปัจจัยนั้นที่สัมพันธ์กับตัวมนุษย์คืออะไรคือมนุษย์นี้ต้องการผลต้องการประโยชน์บางอย่างให้แก่นตนเองผลที่ต้องการนี้ก็ต้องเกิดจากเหตุ เหตุนั้นก็คืออะไรก็คือการกระทำของตัวเองเมื่อเราต้องการผลก็ต้องทำเหตุการทำเหตุด้วยตัวของมนุษย์เองอันนั้นก็คือตัวการกระทำเพราะนั้นตัวการกระทาเป็นตัวเหตุปัจจัยที่จะนาผลที่ต้องการมาให้ตัวการกระทำของมนุษย์นั้ น, นเรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นกฎแห่งธรรมะคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ก็ แคบลงมาเรียกว่ากรรมนั่นเองจากธรรมก็มาหากรรมกรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมนะครัเมื่อบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยผลจะเกิดจากเหตุทีนี้ผลในส่วนที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ผลที่มนุษย์ต้องการก็เกิดจากการทําเหตุการกระทาเหตุนั่นคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นผลที่เราต้องการก็เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นจากธรรมพระพุทธเจ้าก็ชี้แคบลงมาถึงกรรมพอมาถึงกรรมแล้วทีนี้ต่อไปอะไรล่ะ มนุษย์จะต้องทำกรรมให้สำเร็จผลที่ต้องการทีนี้ถ้าต้องการผลดีก็ต้องทำกรรมดีถ้าหากว่าไม่ต้องการผลชั่วผลร้ายก็ต้องหลีกเลี่ยงกรรมชั่วร้ายก็เลยมีหลักการว่ากรรมดีนำไปสู่ผลดีกรรมชั่วนำไปสู่ผลชั่วทำกรรมดีก็จะทำให้ได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วนี่มนุษย์ก็จะต้องเพียรพยายามทำเอา แต่ว่ามนุษย์ที่เพียรพยายามทาเอานี่ถ้าหากว่าตัวเองไม่มีความรู้เข้าใจ ท, ทั้งทั้งที่มีความเพียรพยายามทำทากรรมไปแต่ทําเหตุไม่ตรงผลถ้าเหตุไม่ตรงผลผลที่ต้องการก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นการทํากรรมก็ยังไม่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ได้สำเร็จผลที่ต้องการเพราะว่าไม่รู้ว่าการกระทาใดจะนาไปสู่ผลใด อันนี้ก็ขาดอะไรไปอย่างก็คือขาดปัญญา น, นี้ขาดปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องมีปัญญาเพื่อจะให้ทํากรรมที่ถูกต้องตรงที่เป็นเหตุให้เกิดผลดีแท้จริงทําไงจะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ตัดสินได้ว่ามนุษย์จะต้องมีปัญญาจะต้องรู้เข้าใจจะต้องมีปัญญารู้เข้าใจจะได้รู้ว่ากรรมไหนจะนําไปสู่ผลอันไหนที่ตนต้องการได้ อันนั้นก็คือเรียนรู้เหตุปัจจัยนั่นเองจะได้ทําได้ตรงจุดนั้นคนเราจะต้องมีปัญญาจะทําให้มีปัญญาทํำยังไงก็ต้องฝึกคนพัฒนาคนขึ้นมาอันนั้นก็เลยทําให้มีหลักการของพุทธศาสนาขึ้นมาว่ามนุษย์นี้จะต้องมีการฝึกฝนพัฒนานะเราก็เลยเกิดหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนาขึ้นมาเรียกว่าศึกขานะซึ่งแปลว่าการศึกษาหรือการฝึกฝนมนุษย์การฝึกฝนมนุษย์นี่ เป้าหมายสําคัญก็ให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วก็รู้ถึงความเป็นเหตุปัจจัยหรือ <Boy ain> ถึงตัวเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่ต้องการก็คือร <attached>. <bye altogether> ู้ต <guessing>? ัวธรรมะนั่นเองรู้ตัวธรรมะรู้ความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเสร็จแล้วพอตัวมีปัญญารู้เหตุปัจจัยได้ดีตัวเองก็มาทํากรรมได้สอดคล้องได้ถูกต้องก็ทํากรรมที่จะให้เกิดผลที่ดีงามที่ต้องการหลีกเลี่ยงกรรมที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดผลที่ไม่ดีได้ เพราะฉะนั้นหลักการของพุทธศาสนาในที่สุดก็มาถึงตัวมนุษย์ว่าจะต้องมีการศึกษาต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอันนี้แหละก็เป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาจากเทพพระพุทธเจ้าดึงคนมาสู่ธรรมจากธรรมในนั้นแฝงเรื่องกรรมอยู่จากเรื่องกรรมเพื่อจะให้กรรมได้ผลดีมนุษย์จะต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาต้องมีศึกษานทนี้นจะให มีการศึกษามีการฝึกฝนมนุษย์นั้นก็เพื่อปัญญานั่นแหละแต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นนั้นมันต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆทุกด้านของมนุษย์นมนุษย์จะต้องมีพฤติกรรมที่ดีงามที่เอื้อต่อการเจริญปรรัญญาถ้าไม่มีพฤติกรรมที่ดีก็ปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันนั้นก็ต้องวางฐานว่าพฤติกรรมต่างๆความประพฤติกายวาจาต้องจัดให้ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่จะเอื้อต่อการแสวงหาปัญญา เพื่อตัวเองจะได้หาความรู้ได้เจริญปัญญายิ่งขึ้นจะต้องฝึกฝนจิตใจเพื่อสร้างสภาพจิตที่ดีแม้กระทั่งในที่สุดสร้างจิตให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้จิตเป็นกรรมนิยะทำให้จิตเหมาะกั่งานแล้วก็เอาไปใช้ทำให้พิจารณาคิดสิ่งต่างๆสมาฮิตโตยถาภูตังประชานาติพอจิตมั่นคงเป็นสมาธิก็ทาให้เกิดปัญญาได้ง่ายในเอื้อต่อการเกิดปัญญา น, นั้นเพื่อจะให้เกิดปัญญานี่แหละก็เลยต้องมีการพัฒนาในด้านพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลด้วยพัฒนาในเรื่องจิตด้วยก็เลยกลายเป็นศิกขา3ามขึ้นมานะมีศีลมีสมาธิปัญญาศีลก็พัฒนาในเรื่องพฤติกรรมกายวาจาในการสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมบ้างทางด้านวัตถุบ้างแล้วก็พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาและก็มาช่วยกันเสริมกันมนุษย์ก็จะเข้าถึงธรรมมากขึ้นตามลําดับ พอมนุษย์เข้าถึงธรรมรู้ความจริงของเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วอ้าวเราก็รู้ว่าจะทำกรรมยังไงจะสร้างเหตุปัจจัยอะไรจริงจะได้ผลดีมนุษย์ทำกรรมได้ถูกต้องก็เกิดผลดีตามที่ตัวต้องการกรรมนี่ก็ประณี่ขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งว่าพลนกรรมไปเลย น, นี่แหละก็คือหลักการใหญ่หญของพระพุทธศาสนาแต่หลักการใหญ่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าพูดง่ายทายาก เวลาพูดเนี่ยมายากเท่าไรละ่ะแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยแสนยากโยมแค่รักษาศีลอย่างเดียวพัฒนาศีลก็แทบแย่และนะ้วแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามก็ขอให้ได้ภาพรวมไว้ก่อนถ้าเราได้ภาพรวมของพุทธศาสนาไปแล้วนี่เราก็จะได้มองเห็นจุดหมายปลายทางเห็นความสัมพันธ์ในการปฏิบัติของเราว่าอันไหนโยงไปไหนแล้วเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องดีขึ้นหลักการของพุทธศาสนานี้ ที่วาด้วธรรมะนี่แหละจึงขยายไปสู่หลักปีกย่อยต่างๆแล้วหลักปีกย่อยทั้งหลายนี่ก็โยงถึงกันหมดทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงมาให้แล้วแต่ข้อสําคัญก็คือว่าพระองค์ไม่ได้สแสดงไว้แค่นี้ไม่ได้สแสดงแต่หลักพระองค์ให้กําลังใจพวกเราด้วยให้กําลังใจอย่างไรพระองค์กล่าวบอกว่าเออมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้น ะ, นะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกผลพัฒนาได้อันนี้เละเป็นสิ่งสําคัญที่สุด แต่พร้อมกันนั้นมองอีกด้านหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเลยนะไม่ฝึกได้นี่ให้เกิดกําลังใจแต่ต้องฝึกนี่บอกให้สํานึกในหน้าที่ว่าเราเป็นคนนี่ต้องฝึกตนจะอยู่อย่างสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็ต้องย้ําอีกทีหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายมนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษเป็นสัตว์พิเศษที่ว่ามีการฝึกฝนพัฒนาได้เท่านั้นเองคือสัตว์ชนิดอื่นนี่มันฝึกฝนพัฒนาไม่ได้ มันมีข้อแตกต่างอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เราเรียกว่าเดรัจฉานนั้นนะ่ะอยู่ได้สัญชาตญาณในแง่สัญชาตญาณแล้วสัตว์ทั้งหลายนี้เก่งกว่าเราเราอย่าไปเทียบเลยเรื่องสัญชาตญาณมนุษย์เกิดมานี่อาศัยสัญชาตญาณได้น้อยไม่ค่อยมีความสามารถอะไรพิสูจน์ว่าเราแพ้สัตว์ทั้งหลายในเรื่องสัญชาตญาณสัตว์ทั้งหลายนี้เกิดมา พอออกจากท้องพอ่อท้องแม่ก็มีชีวิตยอยู่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้สัตว์ทั้งหลายนั้นช่วยเหลือตัวเองได้พอออกจากท้องแม่ก็เดินได้เลยหลายชนิดทีเดียวว่ายน้ำได้หา ก, กินได้แต่ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอมากพอคลอดออกมาแล้วถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูประครบประหง ม, มแล้วไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ ต้องมีคนเลี้ยงดูจนกระทั่งแม้แต่อยู่ได้ปีหนึ่งก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วนี่ถ้าใครทิ้งก็ตายแห ล, ละดังนั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่อ่อนแอไร้ความสามารถที่สุดแต่ว่ามีข้อดีพิเศษก็คือว่ามีการเรียนรู้มนุษย์นั้นเรียนรู้มีการเรียนรู้ก็คือการศึกษานั่นเองเมื่อมีการเรียนรู้มีการศึกษาก็ทาให้สามารถที่จะทาอะไรต่ออะไรได้ สามารถรับถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นเก่าพ่อแม่บอกครูอาจารย์บอกคนแวดล้อมบอกได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามารถเอาความรู้ที่สะสมมาเป็นเวลาพันพนปีเนี่ยมาอยู่ในคนเดียวได้อันนี้เป็นข้อประเสริฐพิเศษของมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นเรื่องข้อพิเศษของมนุษย์นี้ก็จึงอยู่ที่การเรียนรู้อย่างที่ว่าแล้วการเรียนรู้นี้คือการศึกษา การศึกษาก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาคนและตัวสิ่งสาคัญก็คือปัญญานั่นเองปัญญาทําให้รู้ทําให้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องแก้ปัญหาได้สําเร็จทีนี้สัตว์ทั้งหลายมันอยู่ได้สัญชาแต่ยานอย่างไรก็อย่างนั้นตลอดชีวิตเกิดมาอย่างไรก็ตายไปแค่นั้นส่วนมนุษย์นี้เกิดมาโดยไร้ความสามารถแต่เมื่อเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาไปจนกระทั่งว่ามีความสามารถพิเศษอย่างแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด การที่เรามีพระพุทธเจ้าไว้นี้เป็นประจักษ์พย า, ยานของการพัฒนามนุษย์ให้เห็นว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาได้สูงสุดจนเป็นพุท ธ, ธพุท ธ, ธานั้นคือคาแสดงภาวะที่พัฒนาสูงสุดของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นพัฒนาสูงสุดได้ถึงขนาดนี้นเป็นพุท ธ, ธก็เป็นต้นแบบสําหรับมนุษย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐก็ขอย้ําว่า หางพุทธศา ส, สนานั้นไม่ได้ถือว่าประเสริฐเฉยๆมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกนะถ้าไม่ฝึกและหาประเสริฐไม่เราไปพูดกันบว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐความจริงพูดด้วนๆขาดท่วนไปต้องพูดให้เต็มว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกพอฝึกแล้วประเสริฐสุดทันโตเสรโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดเพราะประเสริฐสุดจงกระทั่งว่าเทวดาและพระพรหมก็น้อมนมัสการ เฉะนั้นจะมีพุทธพจน์มากมายที่ให้กําลังใจแก่มนุษย์ว่าให้มนุษย์เราเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนไปแล้วเทวดาพรหมทั้งหลายก็น้อมนมำมศ ก, การเองเราไม่ได้ไปเรียกร้องเราไม่ได้ไปดูถูกท่านแต่ว่าเพราะคุณความดีจากการที่เราได้บําเพ็ญได้ฝึกฝนพัฒนาตนนี่แหละเทพพรหมทั้งหลายก็หันมาน้อมน้ำศักการอันนี้เป็นการเตือนมนุษย์ไม่ให้มัวไปสยบอยู่คือมนุษย์ ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้นมัวแต่มองออกไปข้างนอกตัวไม่ได้มองดูตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรมองแต่ว่าเราจะได้อะไรจากเทพเจ้ามาช่วยมองไปหาพระพรหมมองไปหาเทวดาท่านจะช่วยอะไรเราได้บ้างไปอ้อนบอดคิดแต่อย่างนั้นตัวเองไม่เอาใจใส่ที่จะฝึกฝนพัฒนานี่แหละมนุษย์จะเป็นอย่างเนี้ยที่จริงทํางั้นมันก็ง่ายดีนะมนุษย์ก็เลยมีความโน้มเอียงที่จะทําอย่างนั้นขอคนอื่นง่ายกว่า ทำเองมันยากนั้นก็เลยไม่คิดจะฝึกตนสักทีหนึ่งคิดแต่ว่าจะขอให้เทพเจ้าขอให้พระพรหมช่วยดนบันดาลคิดกันแต่อย่างเนี้ยนี่พระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหานี่เรียกก็ปฏิวัติสังคมดึงให้หันมาดูตัวเองว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างจะา ก, การที่ดูว่าตัวต้องทําอะไรบ้างก็เลยให้ดูเรื่องธรรมะคือความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนี่แหละนี่เป็นการเ ป, ปลี่ยนแปลงที่สําคัญและพระพุทธเจ้าก็มาให้เราเนี่ยสนใจเรื่อง ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยความพิเศษของมนุษย์นั้นคือการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จะมีพจน์เฉาตราบวาสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่นะมันฝึกตัวเองไม่ได้สัตว์โดยทั่วไปแล้วฝึกไม่ได้สัตว์บางชนิดฝึกได้แต่ฝึกตัวเองไม่ได้ต้องให้คนฝึกอันนี้เป็นข้อพิเศษนะแม้แต่สัตว์ที่ฝึกได้ยังต้องอาศัยคนฝึกช้างฝึกตัวเองได้ไหมไม่ได้ ม้าฝึกตัวเองได้ไ้ยไม่ได้ลิงฝึกตัวเองได้ไ้ยไม่ได้ให้คนฝึกเท่านั้นท่านบอกว่าปรามา ส, สตรตรลาธันตาอาชานิยาจสินทวาเป็นต้นบอกว่าช้างหลวงช้างพายช้างอะไรต่างๆตลอดจนกระทั่งม้าอาชาในาต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับการฝึกแล้วก็ประเสริฐเป็นสัตว์ที่เก่งแต่มนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐกว่านั้นคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มันฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกแถมฝึกได้ในขอบเขตเดียวเท่านั้นเองฝึกไปถึงระดับหนึ่งเไปไม่ไหวเลยมันได้แค่นั้นแต่มนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้และฝึกได้ไม่มีทิศสิ้นสุดจนกระทั่งเป็นพุทธะได้ประเสริฐเลิศที่สุดนั้นมนุษย์เนี่ยจะต้องหันมาดูความพิเศษของตัวเองตรงนี้แทนที่เราจะไปติดอยู่กับคําว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็หลงภูมิใจตัวเองอย่าเอาเลยนํามาสนใจที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ดีกว่า ว่าความพิเศษและความประเสริฐของมนุษย์นั้นอยู่ที่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้อันนี้มีประโยชน์กว่าถ้าเราไปติดคําว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเราหลมตัวเองเลยเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าเรามาเอาตามพุทธพจน์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกนี่เราเห็นทางปฏิบัติเลยใช่ไหมนี่นมันจะดีกว่าเยอะแยะนี่พุทธพจน์เรากลับไม่เอานย คำคำของพระพุทธเจ้านี่แสดงว่าบางทีเราก็เพลินมองข้ามไปเหมือนกันถ้าเราจะเอาคำที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องต่อว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกนีอันนี้จึงจะครบถ้วนใจความที่พระพุทธเจ้าจัดไว้รวมความว่าพระพุทธเจ้าได้ชี้เรื่องธรรมะให้แล้วความจรงิงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยดึงความสนใจจากเทพมาสู่ธรรมะดึงความสนใจจากการ รอคอยอำนาจโดนบัรดาลของเท พ, พเจ้ามาสู่การทำความเพียรพยายามด้วยกรรมของตนวเองที่ดีพอดึงมาเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าไมา่ได้หยุดแค่นั้นก็ชี้มาที่ในตัวมนุษย์อีกบอกว่าเอออย่าไปท้อใจนะมีกำลังใจเราเป็นสัตว์พิเศษที่ฝึกตัวเองได้พัฒนาได้พอมาถึงอันนี้แล้วมนุษย์ก็มีกาลังใจตอนนี้ให้ข้อสังเกตว่าจะมีตัวธรรมะสองตัวธรรมะตัวที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าดึงมาจากเทพสุดธรรมะ เขียนเป็นภาษาบาลีพอธงไมหันอากาศมอม้าสองตัวสละอ่ะนี่ถือตัวธรรมะที่พุทธเจ้าต้องการชี้ให้เราทุกคนเข้าใจแล้วมาดูทีท่ตัวเราก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นทอทหารทอทหารทอทหารมหากาศมอม้าสองตัวสละอ่ะธรรมะแปลว่าสัตว์ที่ฝึกได้ไนี่ด eh. uh, ูสองตัวนี้พอเลยโยมนี่แล้วชาวพุทธจะปฏิบัติเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง หนึ่งหลักการใหญ่ที่อยู่ล้อมรอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยชีวิตของเราก็อยู่ใต้สิ่งนี้ด้วยก็คือตัวธรรมะทอถงความจริงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติและตัวเราเองก็เป็นทอทหารรากาศมอมสมสอตัวสลาเป็นธรรมะเหมือนกันแล้วเจ้าตัวธรรมะตัวที่สองตัวธรรมะที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเรา ภูมิใจในความสามารถเจาะจุดถูกและวทีนี้เราก็ฝึกตัวเองเราไปเราจะเข้าถึงตัวธรรมะที่หนึ่งตัวทอทงได้แล้วชีวิตของเรานี้จะเป็นชีวิตที่ดีงามตัวธรรมะตัวทอทหารนี่ฝึกไปเป็นบุคคลแรกที่เข้าถึงตัวธรรมะที่หนึ่งตัวทอทงกลายเป็นพุท ธ, ธะเลยก็คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลักพระรัตนตรัยก็เกิดขึ้นจากอันนี้ก็คือว่ามีมนุษย์ผู้หนึ่ง ที่เดิมก็เป็นเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละเหมือนกับคนอื่นๆนี่แหละแต่ได้ฝึกฝนพัฒนาพระองค์มาแจงกระทั่งเกิดปัญญาที่เป็นโพธิปัญญานั้นพัฒนาจนเป็นโพธิเป็นโพธิญาณก็ได้เรียกว่าโพธิญาปัญญาที่เรียกว่าโพธิญาณ น, นี้ก็สามารถยังเข้าถึงตัวธรรมะทอธงที่ว่านี่พอเข้าถึงตัวธรรมะทอธงตัวนี้มนุษย์ผู้นั้นได้กลายเป็นพุท ธ, ธะไปเลย เป็นพุทธะไปแล้วแล้วก็เลยมีสองขึ้นมาแล้วตอนนี้หนึ่งทอทงธรรมะทอธงนั้นคือตัวความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาสองก็คือตัวมนุษย์ที่เข้าถึงตัวธรรมะทอธงนั้นได้กลายเป็นพุทธะสองแล้วอันนี้คือต้นกําเนิดของพระรัตนตรัยอันนี้พระพุทธะทอทหาร แล้วก็ที่ได้ฝึกจนกระทั่งเข้าถึงตัวธรรมะทอดงเป็นพุทธะไปแล้วเนี่ยก็นําเอาธรรมะทอดงเนี่ยมาชี้แจงประกาศสั่งสอนมนุษย์อื่นต่อมามนุษย์อื่นต่อมาก็สามารถเข้าถึงความจริงนี้ได้ประกอบกันเข้าเป็นชุมชนหมู่ชนผู้พัฒนาตนเป็นพุทธะอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าชุมชนอันนี้เป็นชุมชนหรือหมู่ชนพิเศษให้ชื่อว่าสังฆะ เราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าพระ t h n a ตรัยที่เป็นหลักประกอบของพุทธศาสนา3ประการพระ t h n a t r a y ก็เกิดขึ้นแล้วหลักพระ t h n a t r a y นี้ก็เอามาใช้เป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องรำลึกสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อจะน้อมนําจิตเข้าสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาและจะได้ไม่เขวอถ้าเราระลึกถึงพระ t h n a ตรัยถูกต้องแล้วโยมจะไม่พลาดจากลักพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราเข้าใจพระ t h n a ตรัยไม่ถูก ไม่ล้ำลึกถึงพระรัตนตรัยไปเครื่องเตือนใจตัวเองบางทีเราก็เขวออกไปดีไมด่ดีถึงก็ออกไปสู่เทพอีกตามเคยแทนที่จะอยู่กับธรรมะออกไปสู่เทพอีกอันนี้จะอยู่ได้ยังไงนะหลักพระรัตนตรัยนี่จากที่อาจารมาพูดมาแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนาตัวเองจนเข้าถึงธรรมะก็กลายเป็นพุท ธ, ธะอันนี้ หลักพุทธะนี้ก็จะมาเตือนใจเราให้เรานี้ได้ประโยชน์เวลาระลึกถึงนี้หลายอย่างหลายประการประการที่หนึ่งก็เป็นเครื่องที่ชี้โยงมาถึงตัวเราเวลาเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เตือนใจเราให้ระลึกว่าโอในตัวเราที่เป็นมนุษย์นี่ก็มีความสามารถอันนี้อยู่ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวไปเป็นอย่างพุท ธ, ธานั้ น, นพระพุทธเจ้าเคยเป็นอย่างเรานี่แหละเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ด้วยความสามารถหรือศักยภาพที่ฝึกตัวเองได้พระองค์ก็พัฒนาพระองค์จนเป็นพุทธะไปเพราะฉะนั้นพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นแบบเตือนใจเราว่าเรามีความสามารถอันนี้อยู่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเราก็เท่ากับเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์ก็คือการที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเอง จะเรียกว่าพัฒนาศักยภาพก็ได้อันที่สองอะไรอีกอันที่สองก็ให้กําลังใจสินะบอกในการที่จะพัฒนาฝึกฝนนี่เราอาจจะนึกว่ายากยากแล้วเราก็จะทอ้อฉะนั้นพอเรารึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็นึกอ้าวมีตัวอย่างเป็นจริงนี่มีผู้ที่เข้าถึงความจริงเป็นพุทธาอย่างนี้ได้แล้วมีผู้ที่พัฒนาตนได้สูงสุดอย่างนี้ได้เป็นจริงนี่ เราเห็นพระพุทธเจ้าทีไรเราก็เกิดกําลังใจว่าเราทำได้เราทาได้น่อันนี้ได้สองแล้วนะหนึ่งเตือนให้เราลึกถึงหน้าที่ของเราในความเป็นมนุษย์ต้องฝึกสองก็ทำให้มีกําลังใจว่าเออเรามีแบบอย่างมีท่านที่ทำได้จริงอย่างนี้แล้วเราก็ทำได้อย่างโคงสองก็เกิดกําลังใจสามอะไรอีกสามก็ได้แบบอย่างวิธีปฏิบัติเออพระพุทธเจ้าทามายังไงท่าน เดินหน้านําทางให้เราแล้วเนะี่ยเราง่ายขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปเที่ยวลองผิดลองถูกอีกแล้วถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราก็แย่สิใช่ไหมลองผิดลองถูกเมื่อไรจะถึงสักทีพระพุทธเจ้าทําไว้ให้ยังแถมบอกวิธีไว้ให้เยอะแยะด้วยเราก็ได้ตัวอย่างแบบอย่างวิธีการที่โปร่งได้นําทางไว้ให้แล้วชี้ไว้ให้แล้วเราสะดวกสบายหลายอย่างเพราะฉะนั้นการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ ได้ประโยชน์3ประการอย่างน้อยนั่นเลยพอนึเตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของเราเองที่ต้องฝึกฝนพัฒนาตน 2. ก็ทําให้เราได้กําลังใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนอย่างนั้น3ก็ได้แบบอย่างวิธีปฏิบัตินะทำให้เราทําได้ง่ายขึ้นทีนี้พอพระพุทธเจ้าชี้มาถึงการพัฒนาตัวเราพ ร, ระองค์ก็ชี้ต่อไปว่าเออที่จะเธอจะสําเร็จอย่างนี้ได้พัฒนาตนสําเร็จนะ เธอต้องเข้าถึงธรรมะนะใช่ไหมการที่จะพัฒนาตนได้สาเร็จนี้เราต้องเข้าถึงธรรมะเริ่มต้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมะเพราะการพัฒนาตัวของเรานั้นต้องเป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัยเท่านั้นเลยถ้าเราพัฒนาตัวเองเราทําไม่ตรงตามเหตุปัจจัยไม่ตรงตามกฎธรรมชาติไม่ตรงตามตัวธรรมไม่สําเร็จหรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดถือหลักธรรมะเป็น สาสนาเป็นเกณฑ์ตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยในการดำเนินชีวิตที่ดีของเรานี่เราต้องปฏิบัติตามนี้แหละธรรมะจะต้องเป็นศาณนเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นเครื่องเตือนใจตลอดเวลาชีวิตประจําวันเนี่ยมีประสบการณ์ต่างๆเข้ามารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ต้องมองในแง่ของธรรมะคือมองตามเหตุปัจจัยพอเริ่มเอาหลักของธรรมะคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมาใช้ เราก็เริ่มฝึกตัวเองและแต่ก่อนนี้เราเคยมองสิ่งทั้งหลายตามชอบใจไม่ชอบใจพอเจออารมณ์อะไรเข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายมันสบายก็ชอบใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจ อ, อยู่ด้วยความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็คิดปรุงแต่งไปยินดียินร้ายมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาท่านเรียกว่าอัตวะปุถุชนโอปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกดับไม่ได้เรียนรู้ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือว่ามีการรับรู้ ด้วยความชอบและชังยินดีและยินร้ายแต่พอเริ่มฝึกตนจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นอริยชนหรือว่าเป็นอริยสาวกก็คือรับรู้โดยมองตามเหตุปัจจัยโดยใช้ปัญญาพอเริ่มมองตามเหตุปัจจัยมองเห็นตามความจริง ก, ก็จะกำจัดป้องการแก้ไขความยินดียินร้ายชอบชังได้จิตใจก็จะสบายขึ้นแล ะ, จะเจริญปัญญาเกิดความรู้เข้าใจ นะไม่ใช่มองได้โมหะไม่ใช่มองศักแต่ว่าโลภะโทสะโมหะเท่านั้นอันนั้นเอามาใช้ธรรมะก็มาเป็นที่พึ่งเป็นสนธนาของเราในชีวิตประจําวันเลยแต่ว่ารวมความก็คือว่าชีวิตของเรานี้ต้องเดินตามธรรมะตลอดจนกระทั่งในที่สุดเมื่อถึงธรรมะเข้าถึงตัวธรรมะจริงๆเข้าถึงความจริงที่เรียกว่าเป็นหลักการใหญ่แล้วเราก็กลายเป็นพุท ธ, ธะด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า แต่เพราะว่าเราไม่ได้ค้นพบธรรมะด้วยตนเองเราก็เลยไม่ได้เป็นสมมาสมพุท ธ, ธะเราก็เป็นอนุพุท ธ, ธะไปนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภาษาวกที่ตรัสรู้แล้วนี่มีในพระสูตรนพระองค์เรียกพุท ธ, ธะเหมือนกันนะตอนหนึ่งนี่ภาษาริบุตรโมคคัลลานะเดินข้ามามาฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่านั่นพุท ธ, ธะกลาลังมาเนี่ยนั่นะก็คือว่า ทุกคนที่ได้ฝึกตนจกนกระทั่งเข้าถึงธรรมะโดยสมบูรณ์อย่างพระองค์ก็เป็นพุทธะเช่นเดียวกับพระองค์เหมือนกันในพุทธะที่เป็นอนุพุทธะนี่แหล ะ, ะก็จะมีการพัฒนาตนขึ้นมาเมื่อมนุษย์มีการฝึกฝนพัฒนาตนเขาเริ่มใช้ความสามารถที่มีอยู่ของเขามาเข้าถึงธรรมะเอาตัวธรรมะทอดทหารมาประสานกับธรรมะทอดธงตอนนี้เขาก็จะเดินในทางของการเป็นพุทธะเมื่อเขาเดินทางใน ที่จะเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธานี้เขาจะเริ่มเป็นอริยชนจะก้าวหน้าไปตามลําดับเป็นคนที่พัฒนาขึ้นมาระดับแรกที่ท่านยอมรับก็คือเป็นโสดาบันพอพัฒนามากขึ้นก็เป็นสังฆาคามีพัฒนามากขึ้นเป็นอนาคาามีจนกระทั่งจบ ก, ก็เป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็อยู่ในสายของการศึกษาระหว่างที่ยังไม่จบการศึกษายังไม่บรรลุธรรมสูงสุดก็เรียกว่าเป็นเสขะเสขะก็มาจากธรรมเสขะเสขะก็มาจากศิก ข, ขา สิกขาแปลงอีเป็นเอก็เป็นสิกขาสิกขาตัดอาก็เหลือเป็นอาเป็นสิกขะนั่นก็คนผู้บำเพ็ญสิกขานั่นเองผู้เป็นบําเพ็ญสิกขาก็เป็นสิกขะนั่นเริ่มได้ชื่อว่าเข้าสู่ชุมชนที่จะเป็นพุทธะแหละพอจบก็เป็นอสิกขาไม่ต้องศึกษาต่อไปกาชุมชนนี้ก็เกิดขึ้นมาคือชุมชนของคนที่มีการศึกษาพัฒนาตนชุมชนนี้กําหนดให้เรียกชื่อว่าสังฆะ สมาชิกของชุมชนซึ่งเป็นนักศึกษาผู้บําเพ็ญศีกขาได้สร้างชุมชนนี้ขึ้นเป็นจริงมีอยู่จริงเป็นไปได้และเราก็จะต้องเข้าร่วมในชุมชนนี้ด้วยเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตสังคมที่ดีงามขึ้นถ้าเราเอาหลักสังขามาเตือนใจเราเราก็จะได้เพิ่มกําลังใจที่โยมมาถึงตัวเองและตอนแรกเรามองพุทธะอ้อมีมนุษย์ผู้หนึ่งที่ได้พัฒนาตนสูงสุดเป็นแบบอย่างเป็นพุทธะ สที่จะพัฒนาอย่างนั้นสําเร็จเพราะว่าเข้าถึงธรรมะสมตัวเราล่ะตัวเราก็อยู่ในชุมชนที่เป็นสังฆไดา้นะเพราะฉะนั้นมีประจักษ์พยานเห็นว่าเราก็จะเป็นได้อย่างนั้นเราก็เกิดหลักพระรัตนตรยัยขึ้นมาถ้าเราเราลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องเราก็จะเกิดกําลังใจและสํานึกปฏิบัติในหน้าที่และเราจะปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุท เ, เจ้าได้ถูกต้องด้วยอันนี้คือหลักพระรัตนตรยัยซึ่งมาเป็นไตรสรณะ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเตือนใจเราสามหลักการตกลงว่าหลักพระรัตนตรัยนี้ก็เป็นเครื่องนําเราเข้าสู่ธรรมะนั่นเองอเมื่อเราได้ระลึกถึงหลักพระรัตนตรัยอย่างนี้เราก็จะเข้าสู่หลักการที่ว่าสิ่งทั้งหลายนี้จะต้องปฏิบัติไปตามกฎแห่งธรรมะคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่หลักอริยสัจจะมาพอน้อมราลึกถึงพระรัตนตรัยถูกต้องแล้ว หลักพระรัตนตรัยนี้จะโน้มนำไปสู่หลักอริยสัจสี่กตนนี่อันนี้พระุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองในคาถาธรรมบทรองค์ก็ตรัสบอกว่าพระอง์เวสรนังยันติปัพตานิวานานิจักเป็นต้นก็ตรัสบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วพากันถือเอาเจ้าป่าเจ้าเขาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่สิ่งเหล่านั้น หาใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่บุคคลถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่อาจพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโยจะพุทธันจะทำมันจะสังคัญจะสรนังคโตส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณนะมีปัญญารู้เข้าใจทุกขเหตุเกิดแห่งทุกความดับทุกและทางให้ถึงความดับทุกนั่นจึงจะเป็นสรณะอันเกษมบุคคลเข้าถึง สิ่งเหล่านี้เป็นสรณะแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้อันนี้แหละที่เป็นสิ่งสําคัญพระพุทธเจ้าให้หลักพระรัตนตรัยไว้เนี่ยเพื่อโยงเราเข้าสู่ธรรมะนั่นเองเพราะมิฉะนั้นเราก็จะไปหลงสิ่งอื่นๆอย่างที่ว่าพามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วก็ไปยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอ้อนวอนขอผลดลบรรดาอย่างที่เป็นมาในสังคมอินเดียจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้เทวดาในอินเดียนี้แทนที่จะน้อยลงมากขึ้นทุกที นะท่านที่อยู่ในอินเดียบอกเดนี้เทวดาอินเดียไม่รู้กี่หมื่นก็แกก็จั้งใจหาทางอ้อนวอนก็อยู่นี่แหละเอาอกเอาใจยังไงก็ไม่พอนี่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ออกมานะฝรั่งไม่เข้ามาปกครองแล้วไม่มีการปกครองแบบปัจจุบันป่านนี้อินเดียพัฒนาบูชายัญไปถึงไหนก็ไม่รู้นะนะป่านนี้มันเอาใจกันไม่รู้จักสิ้นสุดอะ่ะการเอาใจเทพเจ้านี่ไม่มีทางสิ้นสุด เพราะเราไม่รู้ใจเทพเจ้าไม่รู้ว่าเทพเจ้าจะเอาอยัางไงเพราะฉะนั้นเป็นหลักเตือนใจชาวพุทธว่าต้องคอยตลอมตัวเองให้เข้าสู่หลักของพุทธศาสนาให้ดีมิฉะนั้นเราจะเพียนมันเป็นสิ่งล่อมันง่ายนี่การที่จะไปขออำนาจโดนบันดาลภายนอกนี่ง่ายเหลือเกินใช่คนเราใจมันน้อมไปในทางที่จะอ่อนแอการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองทากรรมด้วยตนเองนี่มันยากแต่ว่า ความจริงก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแหละนั้นหลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงอย่างไรก็จริงอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมนุษย์อยู่ที่เนี่ยเพอถูกภัยคุกคามก็หันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันไปหาพึ่งสิ่งภายนอกขอให้สิ่งโน้นช่วยสิ่งนี้ช่วยมันก็พัฒนาวิธีอ้อนวอนเป็นบูชายันอะไรไปตามเรื่องของมันอันนี้พระพุทธเจ้า เข้าถึงธรรมะแต่ว่าการที่จะโยงคนเข้าหาธรรมะตัวหลักความจริงนี้ก็ต้องมีตัวเชื่อมโยงให้ก็เอาพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองมาเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมก็เป็นหลักพระตันตนาใจข้อแรกอ้าวมีพุทธะแล้วเกิดขึ้นมนุษย์นี่แหละเราทุกคนเหมือนกันเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาได้เป็นพุทธะได้พอมีพุทธะมาเป็นแบบให้หนึ่งก็ทําให้เรามองเห็นธรรมชาติของตัวเราเองที่เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ พัฒนาได้เป็นธรรมะทศหารแล้วก็มีกำลังใจที่จะสุดผลพัฒนาตนเองแล้วก็ได้แบบอย่างเราก็ทาไปตามหลักธรรมะเข้าถึงธรรมะตัวธรรมะพระพุทธพะพุทธก็โยงเราเข้ามาสู่ธรรมะแล้วเราสานึกในการที่เราก็เป็นคนหนึ่งมีตัวอย่างที่เข้าเป็นสังฆะกันได้เยอะแยะแล้วเราก็จะต้องทำได้ด้วยเราก็มาปฏิบัติตามธรรมะพอถึงจุดนี้แหละธรรมะนี่แหละก็ขยายเป็นอริยสัจสประการ เริ่มต้นด้วยอา้าวสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายคือสิ่งที่ย้อนรอบตัวที่มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นได้นั้นเราเรียกว่าทุกข์ต่อจากนั้นเราก็คุณดูซิว่าเราจะแก้มันได้แก้มันได้กลายเปลี่ยนมันพลิกมันจากเป็นทุกข์ให้กลายเป็นไม่มีทุกข์สิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องนี่แหละเราปฏิบัติต่อมันไม่เป็นเป็นทุกข์เท่านั้นพอไปปฏิบัติต่อมันถูกต้องมันพลิกมันจากทุกข์เป็นหายทุกข์หมดทุกข์เป็นสุขไปเลย เพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากทุกเนะี่ยว่าตัวธรรมะนี่จะทําให้ท่านรู้จักสิ่งทั้งหลายไอ้ที่มันเป็นปัญหาแก่ท่านนี่ท่านรู้มันซะก่อนอา้าวจับตัวมันให้ได้เสร็จแล้วก็คําหาเหตุสืบสาวหาเหตุสมุทัยรู้แล้วนะรู้เป้าหมายจุดหมายของตัวแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําได้นะเสร็จแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติให้พลิกมันซะพอปฏิบัติถูกต้องทุกนั้นก็หายไปเลยนะก็กลายเป็นว่า ทุกนั้นไม่มีนะพราะปฏิบัติไปตามหลักธรรมในที่สุดแล้วทุกข์ไม่มีนะเพราะทุกมันหายไปเลยอันนั้นก็คือความสิ้นทุกดับทุกหมดทุกเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติสําเร็จตามธรรมะเข้าถึงธรรมะแท้จริงแล้วเนี่ยทุกไม่มีหายไปทุกนั้นมีแต่ในธรรมชาติตามธรรมดาเท่านั้นสิงทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังนัสตามันก็เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเท่ามัน แต่มนุษย์นี่ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยตกเป็นทาตถูกกฎธรรมชาติครอบงำเกิดทุกข์ขึ้นพอรู้ความจริงเข้าถึงค่อยๆเป็นอิสระทุกน้อยลงสุขมากขึ้นจะกระทั่งในที่สุดทุกหมดไปไม่เหลือเพราะว่าทุกขที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไป<อ>ใครไปแก้ได้ทุกในธรรมชาติสิ่งทั้งหลายสังขารเป็นทุกข์ไม่ใครไปแก้ได้แก้ไม่ได้แต่ว่า สิ่งทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำไมมาเป็นทุกข์ในเราด้วยละ่ะนี่พอเราปฏิบัติถูกเข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะแล้วทุกข์ที่มีในธรรมชาติก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติไปแต่ว่าไม่เข้ามาครอบงำจิตของเราเราไม่เป็นทุกข์ไปด้วยนั่นเรียกว่าเป็นอิสระหลุดพ้นก็ปฏิบัติตามธรรมะไปจนกระทั่งถึงจุดหมายแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดหมายหมดทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้ได้มนุษย์จะประเสริฐขึ้นตามลําดับ มีความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองเป็นส่วนประกอบที่ดีงามของสังคมเป็นมนุษย์ที่เกื้อกูลตอบชาวโลกนะชีวิตก็ดีงามสังคมก็ดีงามช่วยกันสร้างสารรค์โลกนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยทุกคนก็เป็นสุขร่วมกันถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานี้ก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีงามขึ้นพร้อมกับ ก, บการประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถ้าหากว่าเป็นวิถีของมนุษย์ที่เป็นปุถุชนไม่ฝึกตนก็หันไปคิดจะแก้ไขข้างนอกเอาชนะข้างนอกอย่างวิทยาศาสตร์นี้ก็มุ่งหวังพิชิตธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะจัดการกับโรคภายนอกตัวเองไม่เอาชนะไม่เอาชนะธรรมชาติภายในเสร็จแล้วก็เกิดปัญหายุ่งยากอยู่ปัจจุบันเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันไปหมดชีวิตมนุษย์ก็ขัดแย้งกับสังคมผลประโยชน์ของบุคคลขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสังคม ผลประโยชน์ของมนุษย์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธรรมชาติอยู่ร่วมกันไม่ได้ฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งก็เสียวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัญหาสภาพแวดล้อมเสียปัญหาสังคมอยู่กันมีความขัดแยง้งรบราข้าฟันไม่มีความสุขแท้ จ, จริงชีวิตของคนก็ไม่มีความสุขเพราะมีความเร่าร้อนกระวนกระวายตลอดเวลาเพราะว่าเดินทางไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามตัวธรรมะถ้าจะเอาให้ถูกต้องจริงจะให้ชีวิตดีงามมีความสุข ทางชีวิตตนเองกายใจทางสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมอยู่กันได้ดีเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีทางเลี่ยงเราจะต้องเข้าม่สุทางมาุธธรรมเวลานี้โลกมนุษย์เริ่มสำนึกรู้มากขึ้นตามลำดับว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีสร้างความเจริญหาความสุขแบบที่เป็นอยู่ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่สร้างอริยธรรมขึ้นมาอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันผิดพลาดทาให้เกิดปัญหามากมายเพราะว่า อยู่ไปแล้วตัวเองมนุษย์เองก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นชีวิตกายใจก็ไม่ดีขึ้นสังคมก็บุบวายเดือดร้อนมากขึ้นสิ่งแวดล้อมก็ถูกเผาผลาญถูกผานถูกทําลายสลายเสื่อมลงไปตามลําดับดังนั้นเวลานี้ก็ได้บทเรียนมากขึ้นก็ทําให้มนุษย์เนี่ยเริ่มหันมาสนใจธรรมะแต่ว่ามองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับฝืนกระแสมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจับจุดที่ว่าเมื่อกี้ได้เนี่ย โยมจะสบายใจที่ว่าตัวธรรมะสองตัวนีจับให้ได้เราไม่มีทางเลี่ยงที่ว่าจะให้ชีวิตดีงามจะให้ทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปได้ดีเนี่ยเราหลีกเลี่ยงความจริงไม่พ้นหรอกเราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงใช้ปัญญาที่รู้ความจริงมาจัดการไม่มีวิธีทางอื่นที่ดีกว่านี้อันนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้วิทยาศาสตร์ที่ พยายามแก้ปัญหาก็โดยการพยายามเข้าถึงความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปโมหวังวิธีอื่นเลยนะพระเจ้าสอนเราไว้แล้วนานและอย่างน้อยพระองค์ก็ดึงจากเทพมาสู่ธรรมแล้วนะวิธีแน่นอนต้องเข้าถึงตัวธรรมะปฏิบัติไปตามธรรมะความจริงอันนี้แน่นอนตัวธรรมะที่หนึ่งในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้อันที่สองก็คือว่า มาดูตัวเองเราเป็นธรรมะทอทหารเพื่อเป็นสัตว์ที่สึกได้พัฒนาได้เราก็มีกาลังใจมีแบบอย่างให้คือพุท ธ, ธะเราก็พัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาเข้าถึงธรรมะและปฏิบัติได้ตามธรรมะนำธรรมะคือปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะมาใช้ประโยชน์ให้ได้อันนี้เป็นทางออกและความสำเร็จอันเดียวของมนุษย์เราจะพอใจหรือไม่ ก็แล้วแต่แต่ไม่มีทางเลี่ยงนะเะฉั้นะนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสโลนี่เป็นสัจธรรมความจริงที่ไม่มีใครกล้าคัดคานได้นะีคืออาจจะกล้าคัดค้านแต่คัดคานไม่สําเร็จนะี่อาจจะต้องใช้ธรรมะต้องเข้าถึงธรรมะแน่นแน่นอนแล้วตัวเราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเฉนั้นชาวพุทธเนี่ยเอาสองอย่างนี้นะหนึ่งตัวธรรมะตัวถอดถอนสองตัวเราธรรมะเอาเจ้า2ตัวนี้ไปประสานกันให้สําเร็จ นั่นก็จะบรรลุความเป็นพุทธะเรามาถึงที่นี่แล้ววันนี้มาที่พระพุทธเจ้ากัสสรู้นี่ลหละคือจุดประสานของธรรมะทอทหารกระทอทธงแล้วเรามาถึงจุดแบบอย่างพุทธะเกิดขึ้นที่นี่ก็เป็นกำลังใจบอกโยมให้รู้แล้วว่าเราจะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จแล้วก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาโลกปัญหาสังคมปัญหาชีวิตให้สาเร็จด้วย ถ้าหากว่าเราทําใจได้ถูกต้องพิจรารณาความจริงนี้แม้จะยากแต่เพราะเป็นสัจธรรมเราก็จะเกิดความมั่นใจตัวเองและเราจะต้องช่วยกันกระตุ้นเตือนจิตสํานึกและสร้างความมั่นใจกําลังใจนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะนั้นเวลานี้นั้นกําลังในฝ่ายธรรมะนี่เวลานี้เบาอ่อนแอน้อยเนี่เพราะคนที่จะมีความมั่นใจในหลัก2ประการเนี่ยเดี๋ยวนี้น้อย หมั่นใจในตัวธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยอันนี้เราต้องสํารวจตัวเราเองแม้แต่ชาวพุทธว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหน 2. มั่นใจในตัวเราเองที่ฝึกได้พัฒนาได้ที่จะเป็นพุทธะเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนนี่เป็นทางออกทางเดียวที่จะแก้ปัญหาของโลกมนุษย์นี้ได้เราจะต้องพยายามช่วยเหลือโลกมนุษย์นี้ในการสร้างความมั่นใจนี้ขึ้นมาแล้วเรามาถึงจุดนี้แล้ว เหตุการณ์ที่ธรรมะกับธรรมะสองตัวทอทหารถอดงประสานกันได้เกิดขึ้นที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยได้สร้างความมั่นใจขึ้นในตัวเราด้วยโดยเอาองค์พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างขอให้โยมทุกท่านเนี่ยได้มีความมั่นใจกำลังใจใน3ประการอย่างน้อยก็ให้องค์พุทธะมาเตือนใจเราหนึ่งสำนึกในความสามารถในศักยภาพในตัวเราที่เป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้จะต้องฝึกมันขึ้นไป นและ 2. สองมีแบบอย่างมีพระพุทธเจ้าทําได้จริงอย่างนี้แล้วมาเกิดขึ้นที่นี่แล้วเรามีกําลังใจว่าเราก็จะทําได้สามพระองค์ก็ให้วิธีแบบอย่างที่พงค์กมเพ็ยไว้แล้วขอให้เราไปประพฤติธปฏิบัติต่อไปเพียงแค่โยมมาวันนี้ได้แค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความลํำลึกเตือนใจในสามประการนี้ก็คุ้มแล้วนั่นขอให้โยมได้เกิดความมั่นใจอันนี้ขึ้นมา เราต้องกระตุ้นกันมากหน่อยระยะนี้เพราะว่าโลกปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกนี้มัวแต่หลงระเริงอยู่ในสิ่งที่ชักจูงให้เพลิดเพลินมัวเมาเพราะฉะนั้นการที่จะได้เกิดกำลังใจในธรรมะนี้ก็ยากพระองค์จึงน้อมพระไทยไปนในการไม่สั่งสอนแต่เราในฐานะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราได้รับคําสอนของพระองค์ถ่ายทอดกันมาแล้ว เราต้องถือว่าเรานีอยู่ในพวกที่สัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็มีทุลีในดวงตาน่าจะไม่มากนัก <c oughs> ถ้าเรามีทุลีไม่มากนักเราก็จะเห็นแสงสว่างและเราก็จะได้ดำเนินปฏิบัติตามพุทธปฏิปทาต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านที่ได้มาจาริกเราเรียกว่าตุนบุ ญ, ญาจาริกการจาริกที่เป็นบุญเป็นุศนเป็นการทาความดีและมาถึงที่นี่แล้วความดีนั้น มีหลายอย่างหลายประการการทํา บ, บุญทำบุศสนมิทานศีลภาวนาแล้วก็มองให้เข้าหลักที่สำคัญก็คือใจสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาวันนี้เราเอาก็จุดยอดเลยคือตัวปัญญาให้โยมไี้เกิดปัญญารู้เข้าใจตัวธรรมะและธรรมะที่กล่าวมาเพื่อจะเป็นทางเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาต่อไปก็ขอให้โยมได้สําเร็จผลตามที่อาตมาได้กล่าวมานี้ขอให้เจริญศรัทธา และให้ศรัทธาที่ได้มีมาแล้วนั้นได้เพิ่มพูนขึ้นออกผลเป็นปีติเป็นความอิ่มใจปราบรื้มใจว่าได้มาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้มาถึงสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งแล้วและได้มา ล, ลึกถึงคุณพระรัตนตรัยได้มาน้อมนําจิตล้ำลึกบูชาพระคุณของพระองค์ได้ทําวัดสวดมนต์ทั้งหมดนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาและขอให้พุทธบูชาที่เราได้บําเพ็ญนี้มาเป็นปฏิบัติบูบชา นำเราให้เข้าถึงธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนต่อไปขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นกำลังใจให้แก่เราในการที่จะบำเพ็ญปฏิบัติบุศลในการที่ว่าจะได้ไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ฟ่องใสอันเป็นพุทธโอวาทในวันมาคบูชานี้และเราก็จะได้มีชีวิตที่ดีงามช่วยกันสร้างสารรค์โลกสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปก็ขออำนาจแห่งศรัทธา ในคุณพระจันทร์ใจและบุญกุศลที่โยมทุกท่านได้บำเพ็ญในบุญญาจาริกครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยจากตุรพภิจพนให้ทุกท่านเจริญงอกงามด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในทางแห่งมักคืออริยมรรคาเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนามีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วการทุกท่านตลอดการทุกเมื่อเทิน